กับเพ่งลักษณะเนี่ยนะเพ่งอารมณ์เนี่ยคือสมถะทั้ง40เนี่ยนะเรียกว่าเพ่งอารมณ์วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสนามักผลน่นะอันนี้เพ่งสามัญลักษณะอันนี้ก็ทั้งอันนี้ก็เพ่งนิพพานะนะ่างถ้าเผาถ้าสมถะ สมถะเนี่ยเผานิวร น, นนะวิปัสสนาก็เผากิเลสนะนะเผากิเลสโดยแต่ทางคาประหารอันนี้ก็เผานิวอณโดยวิขัมพนะประหาร น, นีนะถ้าเป็นมัสมัคนะมัศ ก, ก็เผาเผากิเลสโดยสมุทเชธาประหารนนนาานเนี่ยนะันคว่าชาเนี่ย สับเดียวเนี่ยอมก็เพ่งกับเผาเสรุปก็คือเผาปฏิปักขธรรมหรือเผาอากุศลนั่นเองอันนี้นี่ในหนึ่งนะอันนี้หมายถึงกุศลชานกุศลชาญเนี่ยเป็นยังไงแต่มันมีชานอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอากุศลชาญเห็นไหมอากุศลชาญ น, นี่ก็เพ่งเหมือนกันอันนไ้ม พากุศลชานได้แก่นิวรห้านิวรห้านะกามฉันทะกามฉันทะมันก็เพ่งเหมือนกันมันเพ่งจะเอาอะ่ะมันก็เผาเหมือนกันแต่เผากุศลเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็นไหมพยาบาทเนี่ยเพ่งไหมเนี่ยตัวดีอะ่ะเพ่งโทษเพ่งโทษติเตียนเ้าเนี่ยนะเป็นงานของพยาบาทเสร็จ แ, แล้วก็เผากุศลเหมือนกันเผาเมตตาทิ้งเห็นไหม ถ้าถีนะถีนะมิทธะก็เพ่งเหมือนกัน เ, เพ่งจะสงบใครความสงบมั้งนันเด่ยไม่อยากชุลมุนวุ่นวายและสันโดษมักน้อยอะไรก็ไม่เอาแล้วปล่อยวางมันก็เพ่งเหมือนกันส่วนอุทธะอุทธะกุ ก, กุ จ, จะเนี่ยนะกุ ก, กุ จ, จะนี่มันก็ มันก็เพ่งเหมือนกันแต่แต่ว่ามันเพ่งเพ่งให้เดือดร้อนน่นะเพ่งแล้วก็เผากุศลส่วนวิจิกิจฉามันก็เพ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอกุศละฌานอากุศละฌานนี้ไม่ควรเจริญเนี่ยนะแต่ก็ควรเจริญเ น, นี่ยฌานเนี่ยฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยนะว่าปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานเนี่ยนะก็หมายถึงฌานอันนี้นะหมายถึงการเพ่ง แพ่งก็หมายถึงแพ่งอารมณ์กับแพ่งลักษณะลักษณะก็เพ่งด้วยสมถาวิปัสนามัตตแต่ส่วนทั่วๆไปจะพูดอยู่สองคำเนี่ยคือแพ่งด้วยสมถะและวิปัสนาแต่ขณะที่เพ่งถ้าเพ่งหรื อ, อเพ่งถูกต้องก็จะเผาปฏิปักษธรรมตามสมควรสมรถะเนี่ยจะเผานิวรณ์โดยวิขัมภนะปะหารถ้าวิปัสสนาก็จะเผา กิเลสโดยต่ทางข่าประหารตามสมควรจนถึงถ่าอริยมรรคเกิดนะก็จะเผาตัณหาเป็นต้นโดยสมุทเชทาประหารเนี่ยนะก็พุทธพจน์ตัดคำเดียวว่าชายโตว่าชาเ น, นี่ยนะผู้เพ่งเขาเพ่งอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ตอนที่เราฟังว่าเพ่งนะต้องฟังให้เข้าใจเป็นแบบนี้เช่นสนทีนี้นะในถ้าจะล่วงลึกอย่างที่คุณปีดาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ เอามาคำหนึ่งแค่คำเอาใน40สอันนี้ใน40่สิบจยกว่าเช่นยกตัวอย่างพรหมวิหารพรหมวิหารถ้าเจริญถูกต้องอ่ะจะทําให้ได้บรรลุระดับปฐมปฐมก็คือครั้งที่หนึ่งไงเขาเรียกว่าพรหมวิหารเนี่ยสามารถทําให้ได้ทั้งอุปจารสมาธิและก็อัปนาสมาธิสมมตินะอันนี้สมมติว่าเจริญเมตาก่อนเนี่ยนะโดยที่มี ปิยมนาปะนะนะปิยมนาปะสักเป็นอารมณ์เนี่ยนะพอเมตตาเกิดเจริญไปบ่อยๆจะได้เกิดอุปจาระอุปจาระเรียกว่าสมาธิเนี่ยนะอุปจาระถ้าเจริญไปมากๆนะพอกพูนอุปจาระให้มากขึ้นบ่อยขึ้นก็จะได้อัปปนาสมาธิ อัปปนาเนี่ยแบ่งหลายระดับระดับที่1เรียกว่าปฐมฌานอัปปนาระดับที่สองเรียกว่าทุติยฌานอัปปนาระดับที่สเรียกว่าตติยฌานเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยที่เจริญไม่เกินตติยฌานถ้าโดยจตุ ก, กนาไม่เกินนี้เห็นไหมมันะก็จะได้ฌานไม่เกินตติยฌานนี่นะอันนี้เจริญเมตตาก่อนครั้งแรกใช่ไหมก็ฝึก คิดให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็สงบอุปจาระตัวนี้แปลว่าใกล้ฌานเมื่อเจริญไปมากมากกิจสงบจนถึงเขาเรียกว่าแผ่อั ป, ปมาญญาได้เมื่ออั ป, ปมาญญาได้ก็เป็นอัปปนาก็เป็นระดับฌานทีนี้ระดับฌานก็อยู่ที่ความชำนาญเียนะก็ระดับหนึ่งสองสามับฌานนี้เป็นผลของฌานที่เกิดจากการงลักษณะามคืออันนี้พูดถึงแต่แพ่งอารมณ์อย่างเดียว อ๋ออันนี้นี่คือคือล้วงเอาเพ่งอารมณ์มาเป็นอันนี้เนี่ย เ, เจนพเมื่อเพ่งไปมากๆกนะก็สงบแบบนี้ตามลำดับเนี่ยนะก็เริ่มสงบตามลำดับไปสมตาตาเข้าใจมันก็เป็นเขาตู้งพวที้วิเขาชั่วคราวช่ไหมอนนี้วิปัสนานี่มัว่ามันต่ำกว่าตามมันยลักษณะนั้นอ๋อวิปัสนานี่ต้องสามมันยลักษณะขึ้นไปเจนพรเช่น เมื่อเพ่งอารมณ์โดยอนิจจะลักษณะนน เ, นเนะจนพรก็จะเผาอะไรก็เผานิจจะลักษณะก็คือจะเผานิจจะสัญญาเนี่ยนะถ้าเพ่งโดยทุคลักษณะก็จะเผาสุขสัญญาจนอนถ้าเพ่งโดยอนะตะลักษณะก็จะเผาอตตะสัญญาเนี่ยนะก็ก็ตามสมควร ถ้าหากว่าถ้านิจจังทุกขังอนัตตาจนบริบูรณ์เนี่ยนะก็เมื่อเบื่อหน่ายก็จะเผานาันทีิก็จะเผาตามคู่ควรแก่วิปัสสนานั้นๆก็เรียกว่าเผาเหมือนกันแต่ว่ามันจะสุกจริงๆนะถ้าโดยวิปัสสนาจริงอ่ะเผาสุกก็ระดับมกกัก น, นะจึงจะฆ่าเชื้อได้สําเร็จเนี่ยนะโอ้อาสวะนี่มันหมักมานานแล้วไม่ว่าจะเชื้อมันจะทำร้ายง่ายๆในเนี่ย ในสิ่งเดียวกันแต่มองคนละอย่างคือถ้ากิจเนี่ยกิจคือการเพ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ชื่อว่าเผาโดยตัวเจนพออ๋อไม่เพียนต่างหากอันนั้นวิริยะอ๋อเหมือนจุดเทียนเงนี้ยนงไส้ก็หม ด, ส, หมดสว่างสว่างก็สว่างขึ้นเนะเนะทนั้งให้แสงสว่างเลยนะเผาตัวเอง้วยนะไม่หมดเลย เอ่อในการการเจริญแบบนี้ที่ในคาถาตั้งสามคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้ที่บอกว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งเผาเนี่ยนะคือเป็นผู้มีความเพียรเนี่ยเพ่งอย่างนี้อยู่แต่ว่าเขาเพ่งแบบนั้นแล้วนะอันนี้สองคือเขาเห็นอริยสัจนะเขาเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าจุดมุ่งหมายของการพิจารณาทั้งหมดเพื่อการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเรียกว่าทุกอย่างเข้าจะอนุวัตอริยสัจหมดเลย อย่างธรรมะที่เราอ่านในพระไตรปิฎกก็ตามนะจะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูเป็นเหมือนกับ น, นิทานแต่ว่าถึงจะเดินเรื่องมายัางไงก็ตามนะจุดจบเขาต้องเป็นอริยสัจเหนนะจะเดินเรื่องมายัางไงก็ตามจะเดินเรื่องมิจฉาทิฏฐิชั่วร้ายเลวซามขนาดไหน ม, มาก็ตามที่จบต้องจบที่อริยสัจเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สุดของวัตทุกข์ได้อย่างแท้จริ ง, งนะ ที่สนใจเรื่องเพ่งเพราะว่าคํานี้เนี่ยถ้าหาว่าคนไม่ศึกษาก็จะไปเพ่งจริงๆเลยไปจดจ้องอะไรทั้อย่างเป็นเพ่งเหมือนกันแล้วก็มีการปฏิบัติกันทั่วไปเยอะยะด้วยเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยถ้าเราเจอในพระไตรปิฎกนี่เราเจอบ่อยด้วยนะแล้วในอัตถกถาก็ได้อธิบายไว้ว่าอัตถกถาบอกว่าเพ่งก็คือโยนิโสโอมารสิการอันที่จริงเพ่งก็คือก็คือการพิจารณานั่นเองเจนพร ก็พิจารณาแบบสมถะแบบวิปัสนานะเธอแต่ศัพท์เหล่านี้มันเป็นศัพ์เฉพาะที่ที่มีคําอธิบายที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะสมมุติว่าเพ่งพุทธคุณอย่างนี้ก็คือเขาเอาเรื่องพุทธคุณมาคิดอต่เยอะๆก็เรียกว่าเพ่งเหมือนกันในะขณะนั้นก็เผาอสัตถิยะคือเผาความไม่มีศรัทธาออกไปเนี่ยนะก็ตามสมควรนิย้อนมาที่พรหมราตนานะว่า คิดแล้วนี่นะถ้าหากว่าพร้มไม่อาราธนาเป็นต้นเนี่ยนะเราก็นึกนึกว่าเออเราจะได้ฟังธรรมหรือเปล่านะถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงอริยสัจเลยนะก็นึกว่าโอ้โหเราจะมืดจะบอดไปอีกขนาดไหนหมายคำว่าบอดแบบไม่รู้ว่าสว่างมีด้วยนะเกื้อท่าถ้าอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสว่างแต่ก็ยังบอกว่าเออมีแสงสว่างอยู่นะซึ่งถ้าเราเจริญตามนี้ได้จากสว่างเป็นแน่เนี่ยนะถ้าถ้าบำเพ็ญตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้บอกเอาไว้โดยสิ้นเชิงก็สว่างเห็นไหม ก็จะเห็นว่าเออสามบดีพรมนี่ก็เป็นผู้ที่มีอุปการะในพระพุทธศาสนา ม, มากมีหลายเรื่องนะอย่างในจาตุมมาสูตรมีอยู่สูตรหนึ่งอะ่ะพระองค์เนี่ยประ น, นามภิกษุสงฆ์เลยนะบอกว่าจงไปเนีย่ยนะเธอไม่ควรอยู่ในสำนักของเราประ น, นามเลยนะภิกษุ500ห้าร้อยภาษาริบุตพระโมกคลานะชวนกันเก็บบาตรไปหมดเลยเนีย่ยนะพรมไม่มาราธนาว่า ภิกษุที่ไปเนี่ยนะมีแต่ภิกษุใหม่ๆทั้งนั้นแหละพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าภิกษุใหม่เหล่านี้ถ้าพระองค์ไม่อนุเคราะห์นะเขาจะเป็นอื่นเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกโคที่มันยังอ่อนๆถ้าหากว่าไม่ได้ดื่มนมโคเนี่ยนะมันคงจะตายเหมือนกันเถอะต้ตนไม้ที่มันออกมาเล็กๆค่าไม่ได้น้ํารดเนี่ยต้นไม้มันก็จะเหี่ยวเฉ า, เาตายภิกษุสงเหล่านี้ที่บวชมาใหม่ถ้าพระองค์ไม่อนุเคราะห์เนี่ยนะเขาจะมีใจเป็นอื่น ขอให้พระองค์อนุเคราะห์เข้าด้วยเถิดเนี่ยนะก็มาอ้อนวอนให้พระองค์อนุเคราะห์เนี่ยนะตอนถ้าหากว่าคล้ายๆดูเหมือนว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ประรบแสดงธรรมเมื่อไรเนี่ยพรมจะต้องมาทุกครั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเป็นความท้อแท้แท้จริงของพระองค์อะไรหรอกแต่ก็ถือว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะ ถ้าหากว่าดูแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงเลยนะก็จะใช้วิธีการต่างๆนะเมื่อพิสูุนสลดสังเวทใจพระ อ, องค์ก็จะแสดงคำจุดจบว่าเขาก็บรุอริยสัตย์อยู่ดีเนี่ยนะมันก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะในตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพรมไม่ราตนาเนี่ยนะอย่างคนอินเดียเนี่ยนับถือพรมเป็นสารณะเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถ้าพรมไม่มาราตนาเนี่ยคิดว่าเขาจะฟังไหมธรรมะ ีฟังอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างภาษาริบุตรอะไรเป็นต้นเนี่ยอดีตของท่านก็เป็นคนวันณาพราหมณ์อันวันนาพรามณนี่เขานับถือพรหมเนี่ยเคร่งครัดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพรหมมาราธนาเนี่ยถามว่าศรัทธาเขาจะเพิ่มขนาดไหนมันเขาจะฟังธรรมมากเขาจะเงี่ยโสดลงฟังเนี่ยนะนี่ก็มาดูคําอาราธนาเนี่ยนะครับผู้ที่อราธนาให้พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมได้เนี่ยนะก็ต้องฉลาดฉลาดที่จะอาราธนาเหมือนกันนะว่า ครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรมเนี่ยนะทราบพระปริวิตรกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยด้วยใจของตนแล้วก็เกิดความปริวิตรกว่าชาวเราผู้เจริญโลกจกชิบหายหนอโลกจะวินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ส่งน้อมพระทัยไปเพื่อแสดงธรรมเนี่ยนะวินาศเหมือนกันเถอะพินาศ น, นะเนี โมแวนเป็นพอพานก็เป็นพี่นาดเนีย่ยนะชิบหายพี่นาดเนีย่ยนะอดแน่วางั่นเนี่ยบอดสนิทแน่เพราะว่าหมอเขาจะเลิกรักรักษาแลว้วอ่ะตายสนิทนะ <c oughs> ทีนี้ไอคําประกาศอันนั้นเนี่ยนะได้ยินกล้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพรหมเนี่ยนะในหมื่นจักรวาลมาเนีย่ยนะมาไม่ได้มาองคเดียวนะพรหมเนี่ย ม, มาในหมื่นจักรวาลมาลําดับนั้นเท้าสามบดีพรหมก็ได้หาย ไปในพรหมโลกมาปรากฏที่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นนี่ก็เมื่อเกย์ก็ยังสนทนากันกับคุณหมอมาถึงเรื่องว่าไอ้พรหมโลกห่างจากมนุษโลกเนี่ยนะยังไงคือโดยหลักก็บอกว่าพรหมโลกเนี่ยนะถ้าก้อนหินเท่ากับเรือนยอดเนี่ยตกจากพรหมโลกมาถึงมนุษโลกเนี่ยนะใช้เวลาสี่เดือนเนี่ยนะใช้เวลาสเดือน ก็คุยว่าเอ้ย hey, หมอไปคํานวณดูดิว่ามันควรจะเท่าไหร่ดีว่างั้นเนี่ยมันควรจะห่างสักกี่ไม่เนี่นะกี่กิโลเมตรเนี่ยนะต่อคานวณเบ็ดเสร็จแล้วเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมากเหลือเกินนะคิดคดไปก็เลยบอกเลิกคิดแล้วว่างั้น <laughs> ตัวเลขมากจริงว่างั้นเพราะอะไรเขาบอกว่าตามเงื่อนไขของการตกเนี่ยนะความเร็วมันจะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยื่อยเอยไหเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนหินเนี่ยเท่ากับเรือนยอดก็เท่ากับก้อนหินเนี่ยเท่ากับตึกว่างั้นเถอะสมมติเท่าวิหารเนี่ยนะ ตกใช้เวลา4เดือนนะจากจากพรหมโลกนะจะถึงมนุษย์โลกเนี่ยแต่ว่าวิสัยของผู้มีฤทธิ์เนี่ยก็อย่างว่าเหมือนกับคู่แขนที่เหยียดกระเยียดแขนที่คู่เท่านั้นแหละคนมีกำลังอ่ะนะคู่เหยียดง่ายฉันใดาจากพรหมโลกมามนุษย์โลกก็ไวขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นเขาบอกว่าสมมติถ้าคนเนี่ยนะจุตินะสมมติาตายตรงเนี้ยไปเกิดในบริเวณเชียงใหม่ตายตรงเนี้ยแล้วไปเกิดที่กรุงเทพ ตายจากตรงนี้ไปเกิดเมกาตายจากตรงนี้แล้วไปเกิดในพรหมโลกนะจุติพร้อมกันถามว่าปฏิสนธินะณนะที่นั้นๆเนี่ยใครถึงก่อนถึงหลังพ ร, พร้อมกันหมดเลยจิตนิวเวขนาดนั้นนะไวมากมัน <c oughs> ก็ถึงเร็วนะเพราะนั้นความคิดเนี่ยเหมือนกันับพรหมทั้งหลายเนี่ยผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็ไปด้วยจิตนเนี่ยนะเหมือนคู่แขนที่เหยียดเหียดแขนที่คู่ ก็คุกชานุมณทนเนี่ยนะคือคุกเข่าเบื้องขวาลงที่แผ่นดินปนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค้าขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดทรงแสดงธรรมะขอพระสุคตได้โปรดทรงแสดงธรรมะเพราะศา์ทั้งหลายจําพวกที่มีทุลีในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมะคือผู้ที่จักบรรลุธรรมะเนี่ยจักมีเราคิดดูนะว่าขอให้พระผู้มีพระภาคก็คือผู้มีส่วนแห่งภาคธรรมเป็นต้นเนี่ยนะกับพระสุคตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะใช้สองสับนะสุขโตกับภควะโตเนี่ยนะสองคำว่าขอให้พระองค์แสดงธรรมเถินนะ คำว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยคําใหญ่โตเลยนะขยายใช้เวลามากกับคําว่าสุขคตเนี่ยนะก็มาจากคําว่าสุขโตสุขโตเนี่ยแปลว่าไปสู่ที่ดีเนี่ยนะไปด้วยอริยมรรคไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหากิเลสเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าสุขคตสุขคตมาจากสุขโตเนี่ยนะขอให้พระองค์แสดงธรรมเถอะถ้าบอกว่าแสดงธรรมเนี่ยธรรมะ ท, ที่แสดงเนี่ยควรจะเป็นอะไรดีจังเกสรถ้าบอกว่าแสดงธรรมเนี่ยธรรมะคืออะไรอร๋ อ, ออริยสัตว์นะสาธุ ฝันท่าโพอง์แสดงธรรมเนี่ยสแสดงอรยิยสัจนะที่บอกว่าผู้ที่มีทุลีในจักสุน้อยเนี่นะคือคนมีกิเลสน้อยเขาฟังแล้วเขารู้ทั่วถึงคือบรรลุอรยิยสัจเนี่ยจักมีมีอยู่นะเหมงอนกันเถอะถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้บรรลุหรอ ก, กนะก็ทั่วไปในบางทีท่านจะยกภาษาริบุตรมาว่าภาษาริบุตรถึงจะมีปัญญาถึงขนาดที่เรียกว่าคำนับฝนในฟ้า คำนวณน้ำในมหาสมุทรนับทรายในทะเลได้หมดเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขนาดผู้มีปัญญาเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเสื่อมถ้าพระ อ, องค์ไม่แสดงเนี่ยนะเขาก็จะเสื่อมนั้นขอพระ อ, องค์กรุณาด้วยเถอดเหมือนกันท้าวสามปดีพรมก็ได้กราบทูลดังนี้แล้วก็กราบทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่า เมื่อก่อนธรรมะไม่บริสุทธิ์อันคนมีมนทินทั้งหลายคิดแล้วได้ปรากฏในมคตชนบทคือในสมัยก่อนพุทธกาลนะมีเจ้าลัทธิอยู่6กท่านด้วยกันปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วปุรณะกัสปะอชิตะเกสะคำพลมคลิริโกสารเนี่ยนะปะกุทากัจานะเนี่ยนะพวกนี้ประกาศประกาศตัวเองว่าเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าประกาศ สอมิจฉาทิฏฐิระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยได้ทรงเปิดประตูแห่งอมะตะธรรมนี้บังคับประตูนะสองคำ น, นะประตูกับอมะตะประตูนี้หมายถึงอริยมรรคนะประตูนี้หมายถึงมรรคอมะตะหมายถึงทันิพานเพราะว่านิพานนี้ไม่ตายหมายถึงว่าผู้ที่ตรัสรูน้นิพานแล้วก็ไม่ตายหมายถาว่าทําลายปัจจัยหมด เพงขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะธรรมะนี้ก็คือขอให้ได้ฟังอริยสัจเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดมนทินคือราคะเป็นต้นตรัสรู้แล้วตามลำดับนี่ก็เปรียบเทียบว่าพระองค์นี่ยังไงว่าเปรียบเหมือนบุรุษมีจักสุยืนอยู่บนยอดภูเขาซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลาพึงเห็นชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดี มีพระจักสุโดยรอบครอบอันนี้เป็นชื่อของสัพพัญยุตยานนะจักสุโดยรอบเนี่ยนะรู้รอบหมดเลยคือหมายคำว่ารู้ทั้งสังคตะาสังคตะอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะพระองค์มีจักสุรอบครอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกเนี่ยนะพระองค์ไม่มีโสกะกับอารมณ์สักอารมณ์เลยนะจงเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตรคือปัญญาอันสําเร็จด้วยธรรมะแล้วทรงพิจารณาชุมชนผู้เกลื่อนกล่นไปด้วยความโศก ผู้อัญชาติคือความเกิดและชราเนี่ยคือความแก่ครอบงามแล้วมีอุปมาอันนั้นเถิดเนี่ยนะก็อนุเคราะห์เข้านะพระองค์เนี่ยไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอีกแล้วแต่ว่ามูสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นมูสัตเนี่ยนะโศกไปทุกเรื่องทุกราวนะันเสียใจไปกับทุกอารมณ์เสร็จแล้วก็มาเด็ดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายอะไรนะพระองค์นี้พ้นแล้วก็ให้ขึ้นสู่ปราศาสตร์คือปัญญามีใจกรุณาอนุเคราะห์สงเคราะห์แสดงธรรมให้เขาฟังด้วย แต่เขารู้แล้วเขาจะพ้นทุกข์เห็นไหข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรทรงชนะสงครามผู้นําหมู่ผู้หานี่ไม่ได้ผู้มีความเพียรก็คือยิ่งด้วยสมบัติทานใช่ไหมพระองค์เนี่ยเพียรอย่างมากๆเลยนะแล้วก็คําว่าชนะสงครามก็คือชนะเทวปุตตมานชนะมัจจุมานชนะกิเลตมานแล้วก็ชนะอภิสังขารมานพระองค์นี้เป็นผู้นําหมูเนี่ยเรียกว่าผู้นําหมู่ คือนําหมูสัตว์นี่ยให้พ้นจากกันดารมีชาติกันดารเป็นต้นเหมือนกับสมัยก่อนก็ถือว่าพ่อคาเกเวียนเนี่ยพาพาลูกเวียนเนี่ยนะให้ข้ามพ้นจากทะเลทรายกันดารเป็นต้นใช่ไหมนี้ฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พาหมูสัตว์ให้พ้นจากชาติกันดารเป็นต้นนั่นแหละพระองนี้หารนี่ไม่ได้นี่ในที่นี้เป็นชื่อของอะไรเอ่ยอะไรเป็นนี่หมูสัตว์เนี่ยติดนี่อย่างมากนี่นี่คืออะไร ตันหาเนี่ยเป็นหนี้นะกา ม, มาฉันทะเนี่ยเป็นหนี้เขาว่างั้นเหมือนอย่างว่าลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะที่ตัวเองกู้เข้ามาเยอะๆเนี่ยนะถึงนายก็จะด่าบ้างอะไรบ้างก็ทนเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังยังมีหนี้ฉันใดหมูสัตว์ที่ยังมีการ ม, มาฉันทะอยู่ก็เหมือนกันนะะถึงจะโดนเขาสับเขาโขกยังไงทนได้หมดอะ่ะเพราะว่ายังถอนหนี้ไม่ได้นี่คือการ ม, มาฉันท่ไม่ได้ทนหมดนะนะดูอดทนเหลือเกินอย่างเงี้ย น, นะ ยังไม่ใช่หรอกมันติดนี่อยู่ันนี่ในที่นี้หมายถึงการมาฉันท่านิวร น, น, น, นทนเอานะ